ใจแนละ้วผมไม่เห็นเรื่องร <laughs> การอธิบายเรื่องอออทำเต่า เ, ตเกิดยังไงและะ้วก็ชีวประวัติเรื่องพ่อย่อๆ <laughs> <laughs> ชีวประวัติยังไม่เคยเขียนว่อเช้าก็พูดคุยธรรมะไปรอบหนึ่งแล้ว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 คนในสังคมเราเี่ยเราจะเห็นว่าเกือบร้อยทั้งร้อยมีความทุกข์เพราะเราผิดศีลไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งในบรรดาศีลทั้ง5้าถ้าเราตั้งใจประพฤติธปฏิบัติรักษาศีลห้าตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนั่นน่ะจะมีความสุขในครอบครัวของเราทาให้ครอบครัวของเราเนะี่ยอยู่เย็นเป็นสุขสามัคคีปรองดองไม่ระหองระแหงไม่แตกแยก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 ความสุขขั้นที่ผ่านไปแล้วเมื่อกี้นะ่ะเป็นสมถะความสุขอีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่งนะั่นเป็นเรื่องของวิปัสนาสมถ ะ, ะนุนวิปัสนาสมถะก็คือจิตสงบจิตสงบจิตมีกําลังจิตมีพลังครูบาอาจารย์สายป่าเราโดยเฉพาะหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตาสอนให้สมถะแล้วกวิปัสนาสอนให้ใจสงบ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 พระพชิสัตมนั่นแหละแล้วกระทั่งทรงสร้างบารมีแล้วกระทั่งทรงสแสวงหาบำเพ็ญบารมีถึงสี่อสงไขยแสนมหากัรโดยเฉพาะพระพุทธโคโดมของเราเนี่ยสี่อสงไขยแสนมหากัรนั่นคือการสแสวงหาสแสวงหาทางปฏิบัติไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็จะเห็นง่ายๆพวกเราเราชื่อว่าพระสาวกพระสาวกเราต้องฟังพระาศาสดาเป็นผู้มาบอกมาสอนเราถึงรู้ข้อปฏิบัติ ในใจพวกเราเรามีแต่ความอยากนะอยากอยากอยากอากอยากอยากมีความสุขอยากมีความสุขแต่ทําไม่ถูกอะไรเป็นเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงทําไม่ถูกอะไรเหตุแห่งความทุกข์ก็ไม่รู้จักเหตุแห่งความสุขก็ไม่รู้จักกระซุ่มเดาแก้ไขไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงประสบสุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้างสุขบ้างทุกทุกบ้างถ้าเราแก้ปัญหาแบบชาวโลกเขาแก้เราก็จะต้องประสบกับความสุข สุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้างอยู่อย่างนี้แหละเนื่องจากว่าพวกเราถ้าจะใช้คำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสคือพวกเรามืดพวกเรามืดบอดพวกเราโง่เข่าพวกเรามืดบอดพวกเราจึงหมกอยู่ในโลกอะไรนะชยาอะไรกันตาโมครับกันตาโมแม้แต่ธรรมภาพท่านเมตตา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 ไปอยู่กับลงปูเขียน3ปีไปอยู่กับหลวงตาสะเปีไปเรื่อยๆโดยลำดับหลังจากออกปี22นะ่ปี2522ก็เข้าไปอยู่ศึกษากับท่านตอนนั้นก็พรรษาหไปจำปรรษาแรกกับท่านก็คือเรานับเป็นปรรษาที่5บวชที่วัดสุธา่นอนะสุทธกินดาโคราช เสร็จแล้วก็จำพรรษาหนึ่งพรรษาอืยากศึกษาเราเรียนประหยัดกับเขาแต่ก็เห็นว่าแวดล้อมที่ไม่ค่อยจะชอบใจเท่าไหร่นัก <c oughs> เลยไม่อยู่ละนะได้หนึ่งพรรษาก็ไปอยู่กับหลวงปู่เขียนก็อุปชายะวัดสุทธาทนั่ยแหละท่านส่งไปอยู่กับหลวงปู่เขียนอยู่กับหลวงปู่เขียนสามปี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 ท่านเมธิโกโอเอยนี่ยกันตะธรรมโมเอย์เงี้ย mm hmm. ก็ไปสอะแสวงหาครูบาอาจารย์ mm hmm. แท้ที่จริงเราไปสอะแสวงหาครูบาอาจารย์ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้รู้จักช่องทางว่าทํำยังไงเราอยากประสบพระผทางอที่เราจะตั้งใจแสวงหาความสุขให้สมให้สมให้สมใจที่เราต้องการจะมีแต่ความสุขความเจริญในหัวใจของเราอยากบรนทุกว่า ง, งั้นเถอะ mm hmm. จึงเป็นเหตุให้ตามคนต่างด้านโดนไปไม่ว่าจะเป็นยุคเรายุคไหนๆก็เหมือนกันแหละต้องสอบแสวงหาด้วยกันทั้งนั้นแหละเมื่อเช้านี่ก็พูดไปถึงว่า <c oughs> ผู้ที่ติดทินเราเปรียบเหมือนว่ากอบอยู่ในกะลากละลาคือกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวที่มีน้ำอยู่ในนั้นกบตัวเล็กๆมันอยู่ในนั้นมันก็เล่นอยู่ในนั้นสนุกกบติดอยู่แต่ในกะลา เหมือนกับคนบางคนติดถิ่นไม่อยากไปนู่นไม่อยากไปนี่ไม่ไปเสาะแสวงที่นู่นที่นี่ในสุกสุดเลยใน เ, เราเลยหายช่องออกไม่ได้หาทางออกไม่ได้การที่เราเสาะแสวงหามาข้างนอกอเหมือนกับเรามาทำความรู้จักกับโลกว้างแทนที่จะมารู้จักแค่กบในกระลาเนี่ยเหมือนน้าที่อยู่ในกระลามะพร้าวมาเจอน้าห้วยน้ำหนองน้ำบึง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 เป็นเหตุให้พวกเรารู้จักสร้างโอกาสให้กับตัวเองถ้าหากเราโชคดีอยู่แล้วเราอยู่ตรงนี้มีคนมาสร้างโอกาสทำให้เรามีโอกาสอยู่ตรงนี้ศึกษาตรงนี้ปฏิบัติตรงนี้ได้ประสบความสุขอา่าที่แ ท, ท้จริงอยู่ตรงนี้นับว่าโชคดีของเราโชคดีมากมากโชคดีของพวกเราเหมือนอย่างพวกเราเป็นพระสาพวพกนั่นแหละพวกเราโชคดีที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างบา ร, รมีมาแล้วท่านบาเพ็ญมาแล้วพวกเราเพียงแต่มาตักมา ต, มาตวง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 อย่างลุงตานี่เราไปอยู่กับท่านเป็นเวลา7ปีเราก็จําเป็นต้องได้กลับมาช่วยลุงปู่เขียนอีกเพราะลุงปู่เขียนท่านเป็นอมภภาพามาช่วยดูแลที่วัดท่านอีก6ปีมาช่วยดูแลท่านอีก6ปีเสร็จแล้วก็อาจารย์วัญชัยท่านไปตั้งวัด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 ตั้งแต่ปีสาสิบปดปีสามปดมาจนเดี๋ยวนี้ยี่สิบปียีสิปีตอนเราเข้าไปอยู่ถ้ำเต่านั้นนะ่ะพรรษาเรายี่สิบพอดีเราไปอยู่ถ้าเต่าแป๊บเดียวมาจนเดี๋ยวนี้ยี่สบปีท้ายที่ว่าเดี๋ยวนี้เราพรรษาเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็เลยอยู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้สนใิซอดเลยมั้งสย่านแต่วัดวัดที่เราไปอยู่นั้นเราถือว่าเป็นเกี่ยวข้องกับหลวงตามันเลยกลายเป็นโครงสร้างของวัดเรามันใหญ่พระเนนก็เลยเยอะเยอะมาจนเดี๋ยวนี้ยี่สิบสามสิบยี่สิบสามสิบบางปี4ี่สิบพระเนร มันเป็นวัดป่าแต่มันเกี่ยวข้องกับลงตา ม, มันเป็นโครงโครงสร้างใหญ่เลยพระเนยียนกเลยเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็30มสิเนี่ยมมีเนนด้วยสามช่วงเนี้ยช่วงเนี้ช่วงเขาปิดปิดเทอมเนี่ยจนจนกว่ญญาจะเปิดเทอมพุษภาอันนี้เราลพูดถึงที่ไปที่มาให้พวกเรารู้จักเพราะว่าตัน เบชิโก้ท่านอยากให้เล่าความเป็นมาอะไรนิดหน่อยท่านรอ น, นี้ก็พูดแค่นี้ก็พอแล้วแหละพวกเราก็ฟังธรรมะเอาอนี่ถือว่าพวกเราด้วยด้วยกันทุกคนถือว่าเป็นผู้ต้องสอะต้องสเสางหาเราจะเป็นกบพอใจอยู่แต่ไมกะลามันไม่ทานเข้าดอกมันไม่ทานเขามันไม่มีโอกาสที่จะมาลืมหูลืมตาผู้ที่ตั้งใจจะ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 พักตรงนั้นบ้านนั้นสองคืนพักตัวนั้นสามคืนพักตัวนั้นห้าคืนเดี๋ยวนี้ตรงไหนที่ค ร, รูบาอาจารย์ท่านเดินไปพักภาวนาเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาเดินเจรเินตามร่องรอยไปทําวัดหมดแหละทางภาคเห น, เนือไปทําวัดเยอะทําวัดมากเลยแหละหลวงปู่มั่นไปอยู่ตรงไหนเนี่ยไปสร้างวัดหมดทางอีสานเราก็เหมือนกันน่ะหลวงปู่มัน่หนหลวงปู่เสาไปอยู่ตรงไหนไปสร้างวัดหมดหลวงตาเราเหมือนกันอ่ะไปอยู่ไปเกี่ยวข้องตรงไหนคนไปสร้างวัดหมดเนี่ย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 เธอทั้งหลายจงไปอย่าซ้ำกันนะไปแห่งละคนแห่งละองแห่งละองแห่งละองแห่งละอ ง, แ, ง, ะองแม้แต่พระองค์ก็ไปองค์เดียวเหมือนกันโน่นน่ะไปทรมานเชดินน่ ะ, น, ะนี่เราพูดถึงต้นตอที่ไปที่มาของพระพุทธศาสนาแม้แต่เกิดที่ประเทศอินเดียก็ตามก็กระจายไปทั่วไปทั่วโลกถ้าหากไปเกาะกลุ่มอยู่แต่ที่เดียวเดี๋ยวถูกเขาไปกระจายเลยกับถูกเผาถูกอะไรหมดเลยไม่มีอะไรเหลือ แต่ถ้ามีการกระจายไปก็ส่วนนั้นถูกเผาส่วนนี้ยังเหลือสมติอย่างเมืองไทยถูกเผาอ๋อที่เยอรมันนี่ก็ยังเหลือใช่ไหมที่ <c oughs> อเมริกานี่ก็ยังเหลือที่ออสเตรเลียก็ยังเหลือก็เหมือนอย่างที่อินเดียถูกเผาตั้งแต่ยุคนั้นน่ะศา ส, สนาถูกเผาที่ศีลังกาก็ยังเหลือที่พม่าก็ยังเหลือ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 และการที่ได้มาวัดมุตโตไทยครั้งนี้ก็ขอขอบคุณหมู่เพื่อนเนี่ยมีท่านรอนท่านเมธิโกท่านชาตามารโรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาของท่านที่เป็นพุทธบริษัทอยู่ตรงนี้ย่อมนี้ที่เมืองเยอรมันนี้คิดเห็นพร้อมกันแล้วก็ให้มาให้มาดูวัด เอามามุทธตัวไทยมาดูบรรยากาศดีอากาศ ด, าาศดีพุทธบริษัทดีเรามาแล้วก็อากาศก็ดีจริงๆหมผ้าอุ่นดี <c oughs> อยู่เมืองไทยเราเนี่ยร้อนระยะ น, น, นยี้นี่ร้อนตรงนี้เนี่เย็นต้องอาศัยหมผ้า <c oughs> แล้วก็พุทธบริษัทเราก็มาเมื่อช้านี่ก็พี่น้องคนไทยเราก็เยอะ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 คนไทยฟังเข้าใจดีไหมเยอรมันคนเยอรมันเราเนี mm? ่ยฟังเข้าใจดีไหมว่าดูสกุลภเคบวชที่เม oh. ืองไทยเข้าใจบวภาษาไทยบ้างบวชมืองไทยกี่กี่ท่านไหนลองยกมืออ้าวสอ่ะนเดียวเป็นเน เป็นแน่นะเป็นเป็นพระเป็นเณแล้วแล้วจะไปบวชอีกกี่คนยกมือสองนี่อ่นี่อจะไปบวชอีกอ่ะใครจะไปจะจะจะไปบวชจะไปบวชอีกกี่กี่คนกี่ท่านนะฟชน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 เรื่องการไปทุ ด, ดงที่นู้นที่นี่อย่างนั้นอย่างนี้มันมีมันก็ ม, นกมันก็เลยเป็นเหตุ ด, ดึงกันชวนกันทําให้เราได้กําลังใจสายหลวงปู่ชาเนี่ยวัดป่านานาชาติเนี่ยหลายๆชาติไปอยู่นู้นาศาสนาเนี่กว้างาศาสนานี่มันกว้างมากตร ง, ง, ง, ง, งนู้นตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ยิ่งพระสายป่าเราเนี่เที่ยวไปทุ ด, ดงไปเรื่อยไปเรื่อยนี่กว้างมาก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 เรื่องนิสัยจะเอา เ, อาเคร่ครับไหมครับหรือเปล่าก<อ>็า<อ>ต้องอยู่กับคูบ อ, อาจารย์ห้าทั้งอรอบ ร, บรอบห้าพรนศาโดยไปที่ที่เอิญได้หลังจากพรนษาที่สองก็ช่วยตัวเองก็ช่วยตัวเองได้วินัยก็ต้องช่วยตัวเองได้จิตใจก็ต้องช่วยตัวเองได้ห้าพรรษาถือว่าเราก็เรียนรู้หลัก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 ลพบุรีนี่พรรษาท่านก็มากและคุณธรรมท่านก็ถึงที่สุดแล้วน่ะท่านก็ยังขอนิสัยกับหมู่ครับพระพรรษาสิบพรรษายี่พรรษาสาิบพรรษาสี่สิบพรรษาขอนิสัยกับลุงตาหมดครับไม่ไม่จำเป็นว่าแค่ห้าพรรษานะสายสายลพบุชาก็น่าจะเหมือนกันมั้งครับเหมือนกันใช่ไหมก็มีคลพบุรีท่านยังอยู่นะตอนนี้ท่านเป็น ท่านไปพูดหลักผู้ใหญ่ตอนนี้ไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องจะสร้างเจดีย์ที่มันตัดลุงตาท่านให้ใช้ยาว่าเศรษฐีธรรมผาคีริ้วหอทองเศรษฐีธรรเศรษฐีธรรมเศรษฐีธรรมลุงตาท่านเรียกเสร็จเสร็จไปใช้ยาท่านกุศลธารับเศรษฐีธรรมนี่คือลุงตาท่านเรียกลุงบุรีนี่อายุเก้าสิบสองอายุเก้าสิบสองเลยนะอยังอยู่ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่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 เผ่าศพห้าสิบหกสิบห้าภาาวบทงานเพาาศพหลวงปู่มั่นใช่ภาษาเท่าไหร่เป็นห5สิบห้าปีครับหกห้าหรือหกสบหกออนี่นี่หกสหน่าจะห6 66บหกหกสิบห0หลวงปู่รีหหหลวงปู่บุญมี 68ลุงปูนมีอายุน้อยกว่าลุงปูรีแต่ภาษามากกว่าแต่เดี๋ยวนี้ก็สายลงตาเราก็ที่เป็นอายุภาษามากกว่าหมูก็คือลุงปูลงปูบุญมีเขาเรียกลงปูบ right, ุญมีใหญ่อ mm ัน hmm. น yes, ี <S <S ้เขาเรียกลงปูอ oh. ันน no ี้ลุงปูบุญมีน้อยอันนั้นเาเรียกลงปูบุญมีใหญ่ายาของลงปูบุญมีบุญมีริปุโนปริปุโนภริปุโนภาษา68ลุงปูลีนี้ หกสิบหกอายุ <66. S 1> <6. S 2> แต่ลุงปู่ลุงปู๋นมีไม่ใช่ลุงปูม่มีเนี่ยอายุแปดสิบเก้าอำเภอผืออยู่อำเภอผือลุงปุ๋มมออ น, มออนมีอยู่อำเภอผืออุดรจังหวัดอุดรมั้งกัน อ, ดอนุดรแล้วอีกองหนึ่งรองลงไปอีกก็อาจารย์อินอาจารย์อินที่เมื่อเช้าเอาซีดีมาให้เนี่ยซีแผ่นซีดีอาจารย์อินก็อยู่นคําน้อย อำเภอนายูงอยู่เลยหลวงปู่มีไปอีกยันอินอ ย, ยันอินนี่ก็อายุเจ็ดสิบปีเต็มอาพันษาก็ห้าสิบเต็มเนี่ยเมื่อเมื่อยิบเจ็ดเมษานี่ก็เป็นวันครบรอบของท่านย7ิบเจ็ดเมษาพวกเราก็ลูกศิษย์เนี่ยถือกล้องนี่ก็ลูกศิษย์ตอนบวชวัดบรวรแล้วก็ไปอยู่กับยัอินเนี่ยใครเ <laughs> จียง เคยปวด่บานรออวัดร้อนร้นแล้ว่าอยู่อันร์อินปดกี่พันศาไม่รู้กี่พันศาไม่รู้พันาเดียวอาจารย์นวัดปานคำน้อยอัมพรนายงอัพนายุงอายุงมพรนายอาจารย์อินนี่บวชเนรแปดปีนะครับบวชพระบวชพระห้าสิบห้าสิบพันศารวมเป็นห้าสิบแปดพันศา ท่านบอกว่าชีวิตท่านเกือบทั้งชีวิตเนรับอยู่ในพระศาสนาห้าสิบแปดห้าสิบแปดปีอ่ะบวชเนตั้งแต่อายุสิบสองจันท์อินพ่อแม่อยู่ทางคําชีอีห้วยซรายคําชีอีหมุนดาหารจันทร์อินเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นป่เ็นผู้ใหญ่รองลงไปจากน้นกระจายกันอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเต็มไปหมดครูบาอาจารย์จากเมืองไทยเรา โดยเฉพาะทางสายลุงปุชาก็เยอะกระจายยิ่งต่างประเทศยิ่งเยอะแต่เราตะมาไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยรู้จักทา่านลุงปุชานี่กระจายกระจายก่อนสายลุงตาเองแล้วท่านตั้งเป็นสาขาเป็นหลักดีมากเป็นร้อยเป็นรอ้รอยสาขาใช่ไหมโอ้น่าจะสองด้วสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าสาขาสองร้อยกว่าวานันท่านนับเป็นสาขาแต่ลุงตาท่านไม่นิยมเรียกสาขาอืท่านไม่นิยมเรียก ใครไปอยู่ตรงไห น, นตรงไหนตรงไหนใครช่วยเหลือตัวเองได้ไปมหาสู่อะไรยัางไงท่า น, นก็ช่วยไปตามนั้นท่านท่านไม่ได้นิยมตั้งเป็นสาขาเหมือน uest, ลุงปูชาลุงปูชาท่านให้เป็นสาขาโน้นสาขานน้นแล้วก็มีระบบ ก, การปกครองดูแลกันดีมากดีมากส า, ายลงุงปูลงุงปูศรีอีกสายหนึ่งลงุงปูศรีอีกก็สายหนึ่งแต่ลุงตาท่านไม่นิยมเรียกสาขาใครอยู่ตรงไหนตรงไหนก็ไปอยู่ไปอยู่ไ ป, ย ไ, ปไปมหาสู่ไปอะไรกันไป แต่แตไ่ไม่ไม่ไม่ถือว่าเอาเป็นว่าถือศาสนาปฏิบัติศาสนาถามเรื่องสิลที่ข้อที่ห้าสุราเป็นอะไรมันพิสินเกิดขึ้นกับวัตถุหรือกับวิาังเกนจำนวนจ๊ะจนวนตาวนปริมาณกาแฟาเป็นเป็นพิจิตรหรือเปล่า ที่เลียกอะพามาดาใชครับพูดถึงผิดศีลเพราะอะผิดศีลเพราะอะไรใช่ไหม อ, อะพามาดาใช่ไห ม, มหมาถึงศีลข้อห้าใช่ไหมครับผมศีลห้าเนี่ยศีลข้อห้าสุราเมาีไรสุราเมีไรที่ท่านถือว่าผิดศีลเพราะว่าสุรากับเมรัยเนี่ยมันทําให้เราขาดสติเรามาคิดดูเราขับรถเนี่ย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 เพราะว่าผิดสินข้อ5ข้อเดียวเนี่ยสุรามีัยข้อเดียว เ, ยเป็นเหตุให้ผิดข้อ2ข้อผิดข้อหนึ่งข้อ2ข้อสข้อสีผิดได้ง่ายมากมีโทษมีโทษมีโทษมีโทษหนะักถ้าหากชอบสุราเป็นไอจินอยู่ดีเรื่อมดีชอบเมาตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตายไปแล้วไปเกิดเป็นคนวิกลวิการบ้าใบไม่มีสติไม่มีสามัญญาเพราะกรรม อย่าลืมว่าเรื่องของศีลมันเป็นเรื่องของกรรมไปในตัวด้วยศีลกับธรรมเป็นอันเดียวกันเหมือนอย่างข้อหนึ่งฆ่าสัตว์เนี่ยพอเราฆ่าเขาปั๊บเนี่ยเขาตายแน่กลายเป็นว่ามีเวรมีภัยกรรมแล้วเราฆ่าเขาเดี๋ยวเขาก็ฆ่าเราลกของเขาเดี๋ยวเขาก็ลกของเราผิดลูกผิดเมียเขาเดี๋ยวเขาก็ผิดลูกผิดเมียเรามันเป็นเรื่องกรรมพูดโกโกหมเทสเดี๋ยวก็ถูกข้าต้ม เราตั้งใจจะหลอกลวงจะต้มตุ๋นเขาเขาก็จะมาต้มตุ๋นเรานี่เรื่องของสิ่ของธรรมจะเป็นไปด้วยกันคนที่ชอบกินเหล้าเมาเป็นอาจินวิบากกรรมส่งให้เขาเกิดชาติหน้าพบใหม่ทําให้เขาเนี่ยขาดสติขาสัมผััญญาเป็นคนวิกลวิการไม่สมไม่สมประกอบทางด้านสมองเป็นคนโง่เป็นคนคลึกเป็นคน อะไรสารพัดเนี่ยมันมีโทษนะมีโทษมากเรื่องศีลห้าศีลห้าถ้าเรารักษาถ้าเราศึกษาให้ดีจนละเอียดมากเขาามีข้อขัดแย้งอะไรไหมที่ที่เราอธิบายไปเนี่ยอะไรเขามีเขามีข้อขัดแย้งเข้าใจเข้าใจเห็นไปเป็นอื่นไปไหมก็ไม่ผมอยากจะเพิ่มจักนิดหน่อยเพราะว่าปกติเขาอ้างว่านะถ้าถ้าเราบอกว่าเหตุผลที่นุวมเพอะที่ใบนะเพราะว่าสติ เขาจะอ้างว่าเออถ้าดื่นเบียร์สักแก้วนึงก็ทำไม่ได้ขาดสติครับเขาทานาทาแบบนั้นแหละเป็นปกติเพราะว่ารถใบังเป็นเมืองเบียร์ปลอยบานยากอ๋อเอมืมัน่เป็นเมืองเบียร์่จเมืองเบียร์เหรอเเบียร์ไม่เมาใช่ัหยเมา ไรแ อ, อ, อลกอฮอล์ก็มีแต่ไม่ได้พูดถึงคือคือเรื่องศีลธรรมของพระติจ้าวนี่เราไปเราไปขัดแย้งไม่ได้เหมือนอย่างเขาพยายามยกตัวอย่างมาเอาสามีภรรยาอสามีพอใจให้ภรรยาอ่าไปเป็นชู้กับคนนั้นได้ชู้กับคนนี้ได้นี่พิศินไหมคนพยายามพยายามจะแซบปัญหามาอย่างนี้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 ถ้าสามีนอกใจภรรยาแสดงว่าสามีขโมยเอาสมบัติของภรรยาไปบำรุงบำเรอคนอื่นถือว่าเป็นการขโมยสมบัติของกันและกันนะฉะนั้นสิน น, น, ส น, นนี้ถ้าผิดกันแล้วนี่สินข้อนี้ถ้าผิดกันแล้วนี่บ้านนั้นนี่ะจะร้อนไปหมดละทั้งลูกทั้งเต่าทั้งครอบทั้งครัวทั้งวงตระกูลร้อนบ้านเตะเสรี่ขาดไปเลยไม่ต้องลองเลยมีโทษมีโทษมากน้อยแค่ไหน พระยานุรธเจ้าท่านจึ ง, จงห้ามโดยเฉพาะโดยเฉพาะกามราคะกามาราคะเนี่ยระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายทั้งถือว่าเป็นยอดของกา ม, มเพราะฉะนั้นคนจะทนกับสิ่งเหล่านี้ยากแต่ถ้าใครวิรัสงดเว้นสิ่งเหล่านี้ได้เด็ดขาดข้ออื่นก็จะตกไปหมดมยิ่งในสังคมที่ผู้ผชายผู้หญิงคลุกคลีกันด้วยแล้วเนี่ยเราระวังไม่ได้อันนี้แหละคือหอกข้างแคร่ เดี๋ยวถูกทิมหลังแหละมาทิมทั้งหลังข้างหน้าแหละทิมเลยทิมใส่เลยเลยเดี๋ยวฟืนไฟเผาไหม้บ er ้านแตกสลายขาดไปเลยเรื่องเรื่องเรื่องศินข้อห้านี่ไม่ไม่เรื่องศินเรื่องศินข้ อ, 5, อสาม ส, สามีภรรยานี่เราเราไม่ต้องลองเลยเลยการมาราคะท่านให้มีศินห้าสามีเป็นคู่ครองกับภรรยาภรรยากับสามีเกี่ยวข้องกันได้แต่ถ้าเป็นสิ 8, นแปดนี่เกี่ยวข้องกันไม่ได้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 ไม่รู้มันไปตกอยู่ตรงนั้นตกอยู่ ต, ต, ต, ต, ตน้นตกอยู่ตรงไหนไม่รู้ไฟไหม้ลุกลามไหม้หมดทั้งบ้านทั้งช่องในสุดคือไม่ใจใจมันเดือดร้อนวุ่นวายสรุปสรุปได้ว่ า, าศาสนาธรรมของพระพุทธเจา้าอุบัติมาเพื่อดับทุกข์ในหัวใจของคนอ่าอุบัติมาเพื่อดับทุกข์ในหัวใจของคนอย่างแท้จริง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 จะต้องมาประสบพบเห็นอีกเช่นอย่างเคยบวชก็จะต้องเป็นเหตุเราให้อยากบวชเคยให้ทานก็ยังอยากให้ทานเคยรักษาศีลก็อยากให้รักอยากรักษาศีลอยากภาวนาคือเคยมาแล้วอันนี้อันหนึ่งเป็นเหตุให้เราสะสแสวงหาธรรมะเปลี่ยนเป็นเหตุให้เรามาเกี่ยวข้องกับพระศาสนาเหตุอีกอันหนึ่งคือความทุกข์ในหัวใจมันก็จะสแสวงหาความดับดับทุกข์ได้ยังไงเนาะไม่รู้จักวิธีการที่จะสแสวงหาความดับทุกข์ สอบไปสอมาสอมาสอบไปก็เจอวิธีการเพื่อระงับดับความทุกข์เราจะเห็นในสมัยพุทธกาลเนี่ยวิธีระงับระงับดับความทุกข์มีเยอะมากครูบาอาจารย์หลายคณาจารย์มากคนนั้นก็อาจารย์ดังงั้นคนนั้นก็ดังงั้นดังงั้นดังนั้นดังงั้ น, งงนแต่ของแท้ของจริงก็คือพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านอบัติมาเพราะท่านบรรลุด้วยการได้ด้วยการบรรลุด้วยการตรัสรู้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 อยู่บนภราสาทชั้นเจ็ดนุ่นพ่อแม่ขังอยู่บนภราสาทชั้นเจ็ดก็มีคนใช้ที่เป็นผู้ชายไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องเอานุ่นไปส่งเอานี้ไปให้หนัหนกๆเข้ากใกล้ชิดกันก็เลยชอบกันหนีออกจากบ้านไปอยู่ข้างนอกบ้านเป็นสามีเป็นภรรยากันนี่นิทานนางประตาจาราแล้วนะตอนนี้นะเสร็จแล้วพอคันครั้งแรกจะ จะมาคลอดที่บ้านแม่ทมเนียมพรามเขาจะมาคลอดลูกที่บ้านแม่พอมาได้ครึ่งทางก็คลอดคลอดก็กลับคืนไม่ไปหาพ่อหาแม่เลยพอลุกที่สองมาอีกชวนสามีมาเพื่อที่จะไปคลอดที่บ้านแม่พอมาได้ครึ่งทางของท้องแก่แล้วเนี่ยฝนพายุตกก็นำใหญ่โตเลยสามีสามีก็ไปหาอะไรเพื่อที่จะมาปิดมาบางังเพื่อที่จะให้นางปตาจารานีคลอดลูกเหนั้นเถอะ ในขณะที่สามีไปด้อมๆ อ, อยู่ข้างๆจอมปลวกเนี่ยงูมีพิษไปฉกตายตายอยู่นู่นน่ะอยู่ข้างๆจอมปลวกเนี่ยฝนตกกระหน่าพายุใหญ่หน้างนี่กํารังจะทําไงทั้งลูกคนแรกทั้งลูกที่กําลังกําลังจ ะ, จะคลอดในสุดต้มาคร่อมไว้กันฝนมันจะกันได้แค่ไหนเราทุกข์หรือไม่ทุกข์เราดูที่คราวนั้นเน่ยคนตายคนแรกคือสามีงูฉกตายเพราะไปหาสิ่งมาปกมาปิด เพื่อที่จะให้ภรรยาของเจ้าของนี่คลอดลูกพอฝนตกหยุดไปเดินหาเห็นสามีนอนตายอยู่โอ้ยถูกเราคิดดูดนทุกขนาดไหนไอ ต, ตัวเองก็กลังออกลูกใหม่ๆในี่ทุกขนาดไหนลูกคลอดออกมาเนี่ยเสร็จแล้วก็ไม่ยังยังไ ม, ยงไม่ยังไม่วางใจที่จะไปหาแม่แล้วก็ไปต่อไปไปไปไ ป, ไปหาแม่พอเดินไปหาแม่ก็ ไปหาแม่ก็ต้องไปข้ามลำน้ําอีกที่ลูกสองคนจะเอาไปสองคนก็พร้อมกันก็ไม่ได้แต่น้ําไม่ลึกน้ําต้องข้ามไปโดนต้องลุยไปเอาลูกคนเล็กที่ออกวันนั้นน่ะเอาลูกคนเล็กในข้ามไปก่อนลูกคนโตให้ยืนอยู่ฝั่งนี้เอาลูกคนเล็กไปวางไว้ที่ฝั่งมันออกใหม่ๆเน่ลูกดูลูก <c oughs> ลูกไม่รู้ภาษาอะไรแล้ไอ้คนโตก็อยู่นี้พอเดินกลับมาเพื่อที่จะมาเอาคนโตข้ามไปเนี่ย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 เดินขึ้นไปอีกเดินเดินไปจะเปิดเดินไปหาแม่ไปก็มีคนข้าวสวนมาเอ๊เสถียีคนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขยังไงถามเขาก็รู้ทราบโอ้เมื่อคืนนี้ฟพายุถล่มบ้านพังเสถียรสามีภรรยาแล้วก็ที่เป็นที่เป็นพี่ชายเนี่พี่เป็นพี่ชายเขาทำตายจราตายหมดกาลังเผากันอยู่เนะี่ยพอได้ยินว่าพ่อก็ตายแม่ก็ตายน้องชาย น่าจะเป็นน้องชายน้องชายก็ตายเป็นบ้าเลยใช่ไหมเป็นบ้าเลยแม้มันทุกเราดูดิความทุกข์ทับถมหัวใจจนบ้าทุกแบบผ้าหลุดลุ่ยอะไรไม่มีสติขาดสติขาสขาสมัญญาเดินเหมือนคนบ้าผมเเผาลุงลังเดินไปไปตรงไหนเขาก็ไล่บ้าไอ้บ้าไปตรงไหนเขาก็ไล่บ้าบ้าบ้าบ้าเดินไปเดินไปเดินไปพุทธเจ้าสแสดงธรรมอยู่เห็นเขาพระุทธเจ้าสแสดงธรรมคนมากมายคิดว่าเขากำลังแจกของกัน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 อ่าก็เหมือนอย่างโอคลีมาอย่างเงี้ยเหมือนอย่างนางอุบลวรรณางเงี้ยไม่ใช่เหมือนนางกุณฑนเกษีอย่างเงี้ยนางกุณฑนเกษีนี่ก็เหมือนกันแต่มันจําได้ไหมนะขอแปะน้อยครับออเอาแป ะ, ะ, ะ, ะ, แปะดเดี๋ยวเดี๋ยวเล่ากุณฑลเกษีหน่ับ <c oughs> นี่นี่เราพูดที่ที่ไปที่มาของคนที่จะเข้ามาสู่ศาสนานะครับอมาจากหลายหลอย่างครับ เนี่ยมันก็โชคดีได้ได้ได้สมัยพุทธิย่าท่านทรงไปชนอยู่มัโชคดีแต่ความทุกข์ที่ติดติดติดอยู่กับเรากับท่านก็คือทุกต้องแต่ต้องเก็บต้องตายนี่แหละมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องต้องเข็ดต้องลาบบางคนก็เห็นเรื่องความทุกข์เหล่านี้มารบเราก็เป็นเหตุหาหาบายหาวิธีพืทีะให้พ้นจากอันนี้ไปได้เหมือนอย่างที่พุทธิย่าท่านทรงดำตีนั่นแหละทาไมเรา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 มีวิโยคมีพลาดพลาดที่นั่นความทุกข์เหล่านี้เป็นเป็นความทุกข์ที่มารุมมารบมาร่าวในหัวใจของเราอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่ทําให้เราเขัดลาบและทําให้เราต้องได้เสาะแสวงหาแต่ถึงยังไงก็ตามความทุกข์โดยลําดับขั้นมันมีอยู่ตามตามที่แนะนํามาตั้งแต่ที่แรกนั่นแหละสงูงขั้นพื้นๆอยู่รักษาศีลรักษาศีลแค่นั้ น, ก, น, น ก, ก็มีความสุขให้ทานมากๆเราก็มีความสุข แต่ถ้าพอใจแค่ให้ทานพอใจแค่รักษาสินตายแล้วเราก็ได้สวรรค์สมบัติอ่าถ้าตั้งใจจะทําทใจะให้ได้รับความสงบเป็นสมาธิเนี่ยถ้าตายไปแล้วอย่างน้อยเราก็ได้พรหมสมบัติพิจารณาให้เกิดปัญญารอบรู้ละอัตตาตัวตวนของตัวเองได้ได้นิพพานสมบัติอ่าวันนี้เรายุติดจบสรุปอเอาแค่นี้แค่นี้วันนี้แค่นี้อืม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 พวกเราก็ยังมีโอกาสแสดงว่าพวกเราก็จะต้องพวกเราก็ต้องมีปุกเพกะตะปุญญาตาบุญที่สังสมอบรมมาแล้วไม่งั้นไม่ได้พบไม่ได้เห็นกันกันง่ายๆแหละดูแต่เขาฆ่ากันตายไม่เว้นแต่ละวันนะัะ น, นนะมีบุญที่ไหนเนี่ยแสวงหาความสุขด้วยอัตตานี่นนะต้องเราต้องเราต้องเราคนอื่นตายั่างมันตายช่างมันฆ่าทิ้งอะไรแต่อะไร <laughs> วันนี้เราก็จบแค่นี้แล้วก็มีอะไรก็อยู่อยู่ภาวนาที่นี่ก็มีเหละภาวนาเข้าพักที่นี่ที่วัดนี่ก็มีเลยมีอยู่มีสามสามสี่คแล้วก็อีกอีกครบอีกสามีภรรยาที่อยูเกตเถาอตีสาธุสาธุดีมากเลยไม่มีเสียงรบกวนบางคนอยู่ใกล้บางคน บนทางร้อยกว่ากิโลครับอดีเราก็มาอย่างเงี้ยเวลามันไม่เข้ากันเวลาเวลาฉันของเมืองไทยเป็นเวลานอนของที่นี่เวลายกตัว อ, อย่างวันเนี้ยเวลานอนเวลานอนของที่เมืองไทยเป็นเวลาที่ต้องทําวัด